เยผุยศิกาวิไนัยภิกษุทั้งหลายถ้าพิกสุเหล่านั้นไม่สามารถระงับอธิกรณ์นั้นด้วยอุปาหิกาวิธีพิกสุเหล่านั้นพึงมอบอธิกรณ์นั้นแก่สงฆ์ว่าท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าไม่สามารถระงับอธิกรณี้ด้วยอุปาหิกาวิธีขอสงฆ์นั่นแหละจงระงับอธิกรณี้ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็นป่า น, นี้ด้วยเยโุยสิกาพึงแต่งตั้งภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณ5ให้เป็นผู้ให้จับสลากดังนี้คือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัวห พึงรู้จักสลากที่จับแล้วและยังไม่จับ